พระสักครู่เราได้สัทธยายธรรมจกักรปัตนสูตรซึ่งมีชื่อในว่าปฐมเทศนาคำสอนนี้เป็นคำสอนแรกสุดของพุทธเจา้าเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงธรรมของพุทธเจ้าที่สืบเนื่องมาถึง45 0 0รษา แล้วก็จบลงด้วยคำสอนที่เรียกว่าคชิโอว่าสองบนเนี่ยหัวท้ายมีความสาคัญมากแล้วก็มีความแตกต่าง ก, กันชัดเจนนะปัมเทสนานี่ยาวยาวสิบสิบเป็นสิบหน้า สด็จประชิมโอว่าเนี่ยมีความยาวแค่สองสามวัทัดเองมีข้อความว่าสังขาทั้งหลายมีความเสด็ไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงท่องความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือบาที่ก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทําเสื็จให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปรชิมโอว่านี่ก็จะเรียกว่าเป็นการสรุป นะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมทั้งคำสอนในปฐมเทศนานะที่เราส่วนมาทับคู่เนี่ยก็อาจจะจบด้วยข้อความสั้นๆอย่างที่นิเกตามานะได้เล่าได้พูดขึ้นมาก็คือให้เร่งทำความเพียรนะเพียงแต่ว่าในปฐมเทศนานี่จะในเรื่องความทุกข์หรือว่าทุกขัง แต่ว่าในประชิโววาเนี่ยจะไน้เรื่องอนิจจงนะความไม่เที่ยงถ้าเราสังเกตสักหน่อยนะพระสุเจ้านะได้ปรบของความไม่เที่ยงนะเพื่อเป็นเหตุผลให้เราทำความเพียรนะดือความไม่ประมาท แต่ว่ามีคำสอนบางแห่งนะที่ผู้จารย์พูดถึงความไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่ว่าสรุปอีกแบบหนึง่งที่เด่นใช้ก็คือค า, าถาบางสกุลตายนะที่เลือเล่อนต้นเนยว่าอดิจาวัตสังขารานอันนี้พวกเราไปงานศพเรา ก็จะคุ้นเคยมากเวลาพาท่านของสุขุลก็เพื่อชักอณิจจาข้อความก็ไม่ยาวนะพอๆกับปชิโอว่านเนื้อหาใจความก็คือว่าสังขารทั้งหลายนะไม่เที่ยงหนอยนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ว่าตอนสรุปนะแตกต่างจากปชิมโมว่า สรุปก็คือว่าท่านสุปตอนท้ายว่าความสงบรั ง, งับหรือการปล่อยวางสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งสังขารในที่นี้ก็หมายป็นความคิดปรุงแต่งก็คือท่านสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นปรับอะไรเพราะว่าสิ่งทีวงไม่เที่ยนบทสุปนี้ไม่เหมือนกันนะปาชิม์มัววาดกับ คาถาบองสกุลตายนะก็ปรลาลบในเรื่องความไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่าปัจฉิมว่าบอกว่าให้เร่งทําความเพียส่วนคาถาบองสกุลบอกว่าให้ปล่อยวางถามว่าขัดแย้งไหมก็ไม่ได้ขัดแย้งนะเพีวยต่ว่าเป็นการเสริมมากกว่าปัจฉิมว่าเน้นะเรื่องการทํากิจสรุปง่ายๆใ น, ะนเรื่องการทํากิจ ก็คือว่าให้ทำความเพียรกิจหน้าที่ใดที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ายัางทำไม่ครบก็ต้องรีบทำซะซึ่งเรืร่องรวมๆก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะว่าเวลามีน้อยจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะมันต้องรีบทำความเพียรโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทส่วนมบสกุลตายเนี่ยนะในเรื่องการปล่อยวาง ซึ่งในทนี่หมายถึงการทำจิตนะทำจิตปล่อยวางจิตไม่ก่อกิตไม่ ก, อก่กอเกลียวไม่ยึดมั่นกับสิ่งใดไม่ได้ขัดแย้งกันนะเพียงแต่วันเน้นคนละจุดนะคำสอนมันก็ในเรื่องการทำกิตอีกคำสอนมันก็ในเรื่องการทำจิตนะสองอย่างนี้ควบคู่กันนะคำสอนของพระพุทธเจ้านเนี่ยท่านจะสอนให้ทั้งทำกิตและทำจิตเสมอนะ ควรจะทำควบคู่กันอย่างตเช่นพระเจ้าสอนเรื่องพรหวิหารสีนะอันนี้เป็นเรื่องการทำจิตเมตตากรุณาโมทิตวเตาเบกขาแต่ว่าถ้าทำจิตและไม่ทำจิตนี่ก็ไม่ถูกต้องนะเช่นอนตาต่แผ่เมตตาแต่เห็นคนทุกข์ไม่ช่วยนะไม่แบ่งปันไม่ให้ทานนะไม่เกื้อกูล อันนี้ถือว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ครบถ้วนจะครบถ้วนได้ต้องทํากิตด้วยกคือว่าให้ทานนะคำพูดก็ไพเราะเรียกพิยาวาจาแล้วก็ลงมือทําด้วยอัตจริยาแล้วก็สมานนตตาอันนี้ระวังสังขารวตุสรวมเรียกรวมรวมแต่ว่าการสอนพุทธศาสนาของเรานี่มังเข้าไปไม่เรื่องการทําจิตมากไปเช่นให้ ใ ห, ให้บำเพ็ญพบมวิหารสี่นะแต่ว่าตกหล่นเรื่องสังขารวัตุสี่ไปก็เลยเกิดพฤติกรรมประเภทว่าที่เขาพูดจาแบบเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์คนไทยหรือว่าชาวพุทธไทยชอบแถ่เมตตาอยู่ในมุงนะแผ่เมตตาอยู่ในมุงคือว่าไม่ได้ลงไปช่วยไม่ได้ออกไปช่วยใครได้แต่แผ่เมตตาอันนี้ที่เ้าวิจารณ์ก็ถูกบางส่วนนะ เพราะว่าชาวพูทไทยนนเร า, าจานวนมากก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าเราสอนในเรื่องพุทธิหาร4ี่แต่ว่าตกล่นเรื่องสางวัตถุสี่อันที่สองคือว่าต้องทํากิจและทําจิตพร้อมๆกันให้การเจริญสติก็เหมือนกันนะเวลาเราเจริญสติเนี่ยเราก็ทํากิจไปนะจะเป็นการทํางานกินข้าวพันผักซักผ้านะ ใ, ใครเดียวกันเรากจิยยยยยยยยเตเพคือเจริญสตินะมันมีสติมัามีความรู้สึกตัวอยู่กับการทำนะจิตใจไม่ล่องลอยวอกวักไปไหนนะให้ดึงกลับมาอยู่ที่การกระทํานั้นอันนี้เรียกว่าทํากิจแล้วก็ทกําจิตไปพร้อมๆกันมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตัวทํากิจแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรม อาจารย์พุทธทาสบอกว่าการทํานการปฏิบัติธรรมก็ความหมายมันก็คือนนี้แหละก็คือว่าทํากิต ด, ด้วยทําจิต ด, ด้วยเนี่ยที่พูดถึงเรื่องการทําจิตเนี่ยนะก็มีคําสอนอีกข้อหนึ่งนะที่ผู้เจ้าได้ปรารถนะก็คือคําสอนเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางข้ออะไรปล่อยวางเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะ ด, ดมั่นถือ ม, มาแล้เป็นเราเป็นของเราได้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 เวลาปวดเวลาเมื่อยนะเราก็สั่งไม่ได้ว่าให้หายปวดหายเมื่อยอันนี้เพราะนั้นต้องปล่อยวางนะสอนว่าปล่อยวางว่าอย่าพูดเยอะก็เป็นของเรานะร่างกายไม่ใช่ของเรานะสมบัติบ้านเรือนก็ไม่ใช่ของเราโลกก็ไม่ใช่ของเราแต่ท่านี้เนี่ยคำสอนแบบนี้ทําให้คนเข้าใจผิดเยอะที่จริงไม่ใช่คน ไม่ใช่ทำให้คนเข้าใจผิดหรอกแต่ว่าคนที่ความผิดไัวเองแต่เคิดว่าเป็นการปล่อยปากแล้วเลยนะก็คือไม่ทําอะไรเลยนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันป่วยมันเจ็บก็ไม่ต้องสนใจดูแลอันนี้เรียกว่าปล่อยปากล้เลยอันนี้เรียกว่าไม่ทําจิตนะปล่อยวางเนี่ยทูตเจ้าสอนให้เือปล่อยวางเรื่องเป็นเรื่องการทําจิตจิตไม่เกาะเกี่ยวไม่ยึดมั่น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 อันนี้เราว่าเราต้องรับผิดชอบก็เหมือนกับว่าเราไปยืมโทรศัพท์ยืมรถของเพื่อนมันไม่ใช่ของเราก็จริงนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยังไงก็ได้เราจะใช้ผู้ยืมผู้ยันยังไงก็ได้เขาคิดว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใช่ไหเรายืมใครมาถึงแม้ไม่ใช่ของเราแต่เราก็ดูแลรักษาเราก็รับผิดชอบ คนไม่เข้าใจผิดว่าในเมื่อไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องดูแลไม่ต้องสนใจนะลูกไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องดูแลใจใส่ลูกบ้านไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรั่วมันพังก็ไม่ต้องซ่อมนี่ผิดแล้วแต่เข้าใจการปล่อยวางว่าเป็นการไม่ทํากิตไม่ทําหน้าที่ปล่อยวางนี่หมายถึงการไม่ทําจิตหมายถึงเป็นเรื่องการทําจิตนะแต่ ส่วนการทํากิจยัต้องทำต่อไปไม่ใช่ปล่อยปล่แล้วเลยถ้าปล่อยปล่แล้วเลยแสดงว่าเป็นเรื่องเป็นการไม่ทําหน้าที่ร่างกายไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาเมื่อเราไปยืมโทรศัพท์ยืมโทรทัศน์ยืมรถยนต์ของใครมาไม่ใช่ของเราแต่เรามีความ ร, รับผิดชอบที่ต้องดูแลฉันได้ก็ฉันนั้ น, น, นร่างกายมีเราต้องรับผิดชอบ นะด้วยใจที่ปล่อยวางนะพูง่าคือว่าปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนะดูมันขัดแยงนะ้งกันที่จริงมันไปได้กัน <c oughs> การที่พระดูแลป่าเนี่ยนะ <c oughs> ก็ไม่ใช่เพราะว่าป่าเป็นของเราไม่ใช่พระยึดว่าป่าเป็นของชั้นนะแต่เพราะว่าเห็นว่าป่านี่มีประโยชน์นะเราต้องตอบแทนบุคคลของป่า ไม่ใช่ของเราก็จริงแต่เราก็ควรจะดูแลปกป้องให้เขาปลอดภัยเพราะว่าเขามีบุญคุณกับเราหรือเพราะว่าเขาเป็นประโยชน์ต่อศักดิ์ศรีแต่มีบางคนก็ไม่เข้าใจนะเคยมีชาวบ้านบางคนมีแอบเข้ามาตัดสมุนไพรนะไม่รู้จักไหนมาตัดสมุนไพรบ้างมาตัดไม้ในวัดบ้างสมัยนนะั้นจะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีกำไม่มีกำแพงล้อมรอบวัดก็มีคนมาบอกก็เลยอารมาก็เลยบอกให้พระนี่ช่วยไป ไปไปตามหานะไม่ใช่ไปจับพระนะเียจริงว่าให้เขารู้ว่าพระดูแลเขาจะได้หนีไป <c oughs> ก็มีพระรูปหนึ่งท่านท่านไม่ไม่สนใจ จ, จะไปช่วยนะท่านก็บอกว่าปล่อยวางแล้วนะนะคือในเมื่อปล่อยวางไม่ใช่ของเราก็เลยไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่หนะปล่อยวางเป็นเรื่องการทำจิต แต่เรื่องการทำติดก็ต้องทำตามเหตุตามปัจจัยนะและการที่เราจะรักษาป่านี่ไม่ใช่เพราะป่าเป็นของเราไม่ใช่เหตุผลแค่นั้นเหตุผลยังมีอื่นอีกมากมายนะอย่างที่บอกนะคือว่าเพราะว่าเขามีบุญคุณกับเราเราต้องตอบแทนเขารักษาเขาช่วยเหลือเขาหรือเพราะามันเป็นเปรียบแตส่วนร่วมนะเราก็ช่วยดูแลรรักษาคนไม่เข้าใจวา่าเราจะทำอะไรกับสิ่งใดก็ต่อมือมันเป็นของเราถ้าไม่ใช่เป็นของเรา ก็คอยป่าละเลยเนะี่ยอันนี้เรียกว่านะปฏิบัติผิดนะไม่ทำไม่ทกิดสมัยที่หลวงพ่อชายยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยนะท่านก็นะเคยไปเคยเล่า ว, ว่าเนะี่ยมีคราวานก็ไปนะมีเกิดเกิดฝนตกหนักนะแล้วก็มีพายุ แล้วก็กุฏิบางหลังนี่ก็โดนพายุพัดโดทั้งหลังคาแหว่งหายไปครึ่งหนึ่งท่านก็เดินตรวจนะก็เห็นพระซึ่งเป็นเจ้าของกุฏิหรือที่อาศัยกุฏินั้นเนี่ยก็ไม่ทําทำอะไรกับกุฏิหลังนั้นหลังคาก็ไม่ซ่อมพอฝนตกฝนตกฝนมันก็รั่วท่านก็หลบไปอีกทางหนึ่งนะรั่วตรงไหนก็หลบไปอีกทางหนึ่ง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 <c oughs> เราเราผิดชอบให้มันดีนะมันก็เกิดประโยชน์แล้วถึงแล้วถึงเวลาที่มันเสื่อมมันโทนไปแก้ไขไม่ได้ใจก็ไม่ทุกข์นะเรื่องการทำกิจและทำจิตเนี่ยมันก็โวงไปถึงเรื่องการทำงานด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้พูว่าเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยนะมันก็คือการทำหน้าที่ แต่ว่าเราก็ต้องรู้จักวางใจให้เป็นนะทำจิตไปด้วยทำจิตไปด้วย พ, พร้อมๆกันนะและที่จริงแล้วเวลาเราทำจิตเนี่ยนะเราสามารถทำด้วยใจที่ปล่อยวางได้นะถ้าเข้าใจตรงกันนะว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ได้แปลว่าปล่อยปลั น, นเลยเนี่ยก็หมายความว่าเราสามารถทำจิตด้วยจิตที่ปล่อยวางถามว่าปล่อยวางอะไรนะ บางคนอาจจ ะ, จจะยังทาใจไม่ได้ถึงขั้นปล่อยวางว่านี่ไม่ใช่งานของเรานะแต่ว่าเราสามารถจะปล่อยวางอย่างหนึ่งได้คือปล่อยวางผลที่จะเกิดขึ้นหลายคนทำงานแล้วเครียด น, นะเพราะว่าใจเนี่ยไป็นนึกถึงผลนะนะคิดถึงผลว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะเสร็จสักที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 นะเริ่ากตับการที่เราใจอยู่กับปัจจุบนันปล่อยวางอดีตปล่อยวาง อ, อนาคตนะอย่าไปสนใจจุดหมายปลายทางหรือผลสําเร็จมากไปนะจริงอยู่เราทำงานเพื่อหวังผลสาเร็จนะเรามาปฏิบัติธรรมก็หวังความสงบเย็นแต่ ท, ทันทีที่เราลงมือปฏิบัตินะเราต้องวางวางความคาดหวังนะวางผลสําเร็จ ที่คาดหวังลงเพราะว่าถ้าเรายังจดจ่ออยู่กับผลนั้นเนี่ยใจเราก็ไม่อยู่กับปัจจุบันนะแลใจเราไปอยู่กับอนาคตและมันก็ทัดทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ในการปฏิบัติไม่ใช่แค่ทุกอย่างเดียวทำให้ไม่สําเร็จไม่สําเร็จด้วยเพราะว่าพอใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติเท่าไหร่สติมันก็ไม่เกิดนะเครียดก็เครียดนะแถมไม่ได้สติด้วยนะ บางคนก็หน้ามืดบางคนก็แน่นหน้าอกบางคนก็ปวดไหลนะ่เพราะว่าเกรงเพราะว่าเครียดนะอันนี้เพราะว่าจิตเนี่ยไปไปจดจ่อยอยู่ที่เป้าหมายหรือผลสําเร็จนะมากเกินไปที่จริงเนี่ยอย่าว่าแต่การทํางานทางธรรมในการทํางานทั้งโลกก็เหมือนกันนะยังนะมีนักปีนเขาคานหนึ่งแกชูบลูสเกอรบี้นะเป็นนักปีนเขาเที่โชคโชนมากนะ ผ่านการปีนเขาที่สูงที่สุดของทุกทวีปมาได้ลงทั้งเอเวอเรสแล้วลแกก็สรุปประสบการณ์การปีนเขาเป็นบทเรียนว่าเนี่ยทแกบอกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูน่ากวากว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองอย่างที่ไกลเวลาจะปีนเขาเนี่ยโอ้เอเวอเรสนี่ถ้าไปคิดถ้าใจไปจดจ่อที่จุดหมายคือยอดเขาเนี่ยจะจะท้อ ง, ง่าย มันเป็นทุกตั้งแต่ยังไม่ทันหยาปีนละเพราะว่าเห็นความลําบากไหนจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะถึงและแกเพบว่าเทคนิคการปีนเถาที่ทําให้แก่สําเร็จมานักต่อนน้นคือสนใจแต่เพียงพื้นดินใต้ฝาเท้าแล้วก็เดินไปข้างหน้านะไม่ต้องสนใจยอดเถาไม่ต้องสนใจจุดหมายปลายทางลืมมันไปเลยก็ได้ แล้วก็สนใจแต่พื้นดินใต้ฝ่าเท้าหพื้นดินที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินไปทีละก้าทีละเก้าถ้าเดินไม่หยุดแล้วก็ถูกทางถึงแน่การปีนเขาที่กลายเป็นเรื่องยากแก่ก็ทำให้เป็นเรื่องง่ายนะซึ่งทำให้ปีนเขาได้ด้วยใจที่มีความสุขแล้วก็สามารถจะทำสาเร็จได้แต่ถ้าวางใจงไม่เป็มนะใจไปหรือสายตาก็ชะเง้อมองที่ยอดเขา มันก็จะทุกขนะ์นให้การที่ใจเนี่ยนะวางจุดหมายปลายทางเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำปัจจุบันให้เต็มที่นะก็คือทำความเปลี่ยนอันนี้ก็เรียกว่าทำงานด้วยใจปล่อยวางนะและตรงนี้แหละที่มันจะทำให้การทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเนี่ยเกิดขึ้นได้นะ ทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสเนี่ยมันเกิดขึ้นไดน้มันไปด้วยกันได้นะ <c oughs> เพราะว่าการทำเต็มที่คือการทำจิตนะส่วนพอระวางจิตเราทำจิตเช่นเราปล่อยวางจุดหมายปลายทางเนี่ยใจมันก็จะเครียดน้อยลงจิตก็จะเป็นสมาธิมากขึ้นจางจือเนี่ยปราชญ์ชาวจีนเนี่ยะจะพูดถึงนักยิงธนูคนหนึ่งนะ ซึ่งยิงธนูได้แม่นมากแกมีหลักนะแมีหลักในการยิงธนูหรือว่าจะมีข้อเตือนใจในการยิงธนูคือว่าเวลายิงธนูเนี่ยนะถ้าคิดถึงโล่รางวัลนะอยากได้โล่รา ง, งวัลเนี่ยตาก็จะพระ่ามัวถ้านึกถึงถ้าคิดว่ายิงเพื่อเอาทองเป็นรางวัลตาก็จะมืดบอด แล้วก็จะยิงไม่ถูกนะมองเป้านะเป็นสองเป้าไปเลยต่อเมื่อลืมนะลืมรางวัลลืมผลสาเร็จนะการยิงนั้นเนี่ยก็จะสำเร็จได้ก็คือยิงได้ถูกเป้าก็เหมือนกับอีกคนนึ่งซึ่งเป็นช่างที่แกะสลักหลังักครังเนี่ยแกะสลักลักครังได้สวยมากนะด้วยด้วยด้วยไมย้แต่ว่าในก่อนแกะสลักเนี่ยนะแกะทำ ทำสมาธิทำสมาธิได้3วันเนี่ยวันที่3มเนี่ย <c oughs> ก็จะลืมนะลืมความสำเร็จหรือความล้มเหลวนั่งสมาธิถึงวันที่5ก็จะลืมคำชมและคำวิจารณ์นะแล้วนั่งต่อไปสักพักก็ลืมลืมตัวตนนะจิตมันเป็นหนึ่งเดียวกนะับกับักบทางเลยแล้วก็เริ่มต้นไปหาไม้แล้วก็จะเจอไม้ที่ถูก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 แล้วถ้าเกิดว่าเราจับหลักได้เนี่ยนะให้การทำเต็มที่แต่ไม่เีเรียวเนี่ยก็ก็จะไม่ใช่เรื่องยากเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนนั่นก็จะสอนอาตมาก็จะรับคำแนะนำจากหลวงพ่อเทียนว่าเนี่ยให้ทำเล่นๆนะแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆความหมายคือว่าไม่ต้องหวังผลผลมันจะเป็นอย่างไรก็อย่าไปสนใจแต่ให้ทำเต็มที่นะ ทำตั้แต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนนะอันนี้แหละมันก็ก็ตรงกับที่ก็ทำให้อัตมาเนี่ยคิดเห็นเลยนะว่าเออให้การทำเต็มที่กับแต่ไม่ซีเรียสมันมันเกิดขึ้นไดนะ้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินวิสัยที่พวกเราจะทำแคนส่วนใหญ่เนี่ยนะ แทนทียจะทำเต็มที่แล้วไม่สีเรียสนะกลับกลนว่าสีเรียสแต่ไม่ทําเต็มที่นะคือเครียดซะก่อนนะนะเครียดกุ้งใจนะแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าท้อนะแต่ถ้าเราทําอีกแก่หนึงคือเออทำเต็มที่นะจะไม่สีเรียดกนะ็คือว่าทําเหตุให้ดีประกอบเหตุเต็มที่ใช้ความเพียรพยายามโดยใจที่ปล่อยวางผลผลมันจะเป็นอย่างไรก็อย่าเพิ่งไปสนใจแต่ทําให้เต็มที่แล้วกัน แล้วเราจะพบว่านะความเครียดมันลดลงนะเรื่องนี้นี่พระหมหาชนกท่านก็เป็นแบบอย่างเราคงจำได้พระมาชนกเนี่ยฉากสำคัญก็คือฉากที่เรือเดือสมุทรจมลงไปแล้วก็เรือแตกนะพระหมหาชนกก็ลอยคอยในเทะเลมีม้อยู่พื้นหนึ่งอมีมาอยู่แผ่นหนึ่งก็พยายามที่ายเข้าฝัง่งว่ายผ่านไปหนึ่งวันก็ยังไม่ถึงฝัง่ง ไม่เห็นฝั่งด้วย3้ผ่านไป2วันก็ยังไม่เห็นฝั่งก็ยังไหว้ไหว้ไม่หยุดนะจนถึงวันที่7ร้อนถึงเทวดาเทวดาร้อนอาด น, นะพระอินทนระ์ก็เลยสั่งให้นามณีเมฆลาสมาช่วยเพราะนามณ์มันมีเมฆลาดนตที่ช่วยคนที่เดือดร้อนในทะเลนามณีเมฆล า, ลาหเห็นพระมาชมนกก็แปลกใจสงสัยนะก่อนจะช่วยก็ถามก่อนว่าเนี่ย ท่านไหว้ไปทําไมนะในเมื่อมองไม่เห็นฝั่งนะทําไมจึงไหว้ไม่หยุดนะพระมาชลก็ตอบเพราะข้พาพเจ้าเห็นประโยชน์ความเพียรนะเสียนะถึงแม้มองไม่เห็นฝั่งก็จะก็จะไหว้เรามีแม่ขลังพรานตอบไ้ว่ า, นะ า, ก, า, วาก็บอกว่าเนี่ยเพียรไปทําไมนะทําไปก็ตายเปล่าเพราะว่าไม่เห็นฝั่งหรอกฝั่งมันอยู่ไกลมากพระมาชลก็ตอบว่า เมื่อทำความเพียร น, นะแม้จะตายก็ไม่ถือว่าเป็นหนี้ใครไม่เป็ น, นก็เรียกว่าไม่เป็นหนี้เทวดาไม่เป็นหนี้ใครทั้งสิ้นไม่เป็นหนี้เทวดาและญาติมิตรก็ต่อว่าไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเมือ่อรู้วัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทำแล้วก็ทำความเพียรไม่หยุดนะจะสำเร็จไม่สำเร็จนะผลแห่งความเพียร น, นั้นยอมปรากจากตน นำมณีเมฆขลาก็เลยก็เลยจำนนนะแล้วก็ช่วยพระมหาชนกอันนี้พระมหาชนกเนี่ยท่านทําความเพียรนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ท่านก็ทําอันนี้ก็เรียกว่าท่านมุ่งการทําเหตุให้ดีทําความเพียรโดยที่จิตเนี่ยปล่อยวางผลนะหมายความว่าสําเร็จไม่สําเร็จ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 งานก็สามารถจะดสำเร็จได้นะอย่างที่ท่านอาจารย์จ ะ, จะคุณพงษ์พุนาพอเนี่ยท่านพูดว่าเนี่ยงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขนะได้ผลเพราะว่าทำเต็มที่และเป็นสุขเพราะว่าใจมีสี่เรียดมีตัวอย่างนึงที่ประทับใจมากนะเป็นตัวอย่างของอคุณป้าชาวเกาหลีนะแกชื่ออะไรนะชื่อชาซาซุน ตอนที่เป็นขานแกอายุประมาณ68ปีใ น, นเมื่อปี52เนี่ยมาเป็นขาเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือแกเป็นแม่ค้าขายผักนะและ้วแต่ก่อนก็มีรถที่ว่าจ้างขนผักให้แกตอนหลังมีแกต้องขับรถเองแกจะขับรถแกก็จะมีใแบขบับขบี่แกก็สอนใ บ, บขับขี่มาครั้งแล้วครั้งเล่านีสอบภาคปฏิบัติได้แต่สอบข้อเขียนไม่ได้ แกไม่เคยสอบถูกได้30ข้อหรือ60บคะแนนเลยสอบไม่ถึงนะข้อนี่มันเป็นข่าวเพราะว่าแกสอบมาแล้วในะ7จครั้งเดือนกุมภาปี52คนตกใจากมากเลย7องครั้งเหรอแบบนี้เมืองไทยเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะมีคนแบบนี้เพราะว่าถ้าสอบ3ครั้งไม่ได้ก็ก็ซื้อละหรือแม่ก็ใช้เส้นใช่ไหม ไม่ซื้อก็เส้นอ่ะมีสองอย่างเนี่ยเกาหลีมันทากันไม่ได้พนักงานเจ้าหน้าที่คุมสอนบอกอยากจะช่วยใจจะขาดแต่ช่วยไม่ได้เนีเพราะว่าเขาเขาเข้มงวดมากเขาซื้อตรงมากคุณป้าแกก็ไม่ไม่ละความพยายามนะแกก็สอบแล้วสอบอยู่สอบวสอนกระทั้งพฤศจิปีห้าสองก็สอบได้หลังจากที่สอบไปแล้วกรห้าสิบครั้งเกือบพันครั้งแกบอกสอบึสอบแทบทุกวันตั้งแต่ปีสี่แปสี่ปีนที่แกสอบ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 การที่แกสอบขนาดนั้นได้เนี่ยในแง่หนึ่งก็แสดงว่าแกขยันมากและในแง่หนึ่งก็แสดงว่าแกปล่อยวางในผลหมายความว่าสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสอบใหม่สอบไม่ได้ไม่เป็นไรสอบใหม่คือแกต้องมีคําว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะมันถึงจะทําให้แกสอบได้เกือบพันครั้งนะคนที่ไม่เป็นไรเนี่ยแสดงว่าต้องไม่สีเลือดในผลนะดูเหมือนน่าดูเหมือนว่า มันขัดแย้งกันนะไม่ซีเรียสแล้วสอบแย่งกันทั้งพันครั้งนะแต่มอในแง่นั้เนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่แกสอบเนี่ยแกแกไม่ได้ยึดมั่นถึงมันในผลเมื่อผลไม่สําเร็จอ่ะไม่เป็นไรสอบใหม่แค่แกก็สอบทุกวันก็ราะแกเชื่อว่าทําความเพียรมันต้องสําเร็จตจนไดนะ้ในแง่นี้แกก็หวังผลนะแต่ว่าในระหว่างที่สอบเนี่ยแกก็ปล่อยวางปล่อยวางในระดับหนึ่ง เราไม่ต้องเพียนอย่างขุดป้าคนนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวอย่างของแก๊ดเนี่ยเอามาใช้นในการทํางานเนี่ยอัตมาเชื่อว่างานที่เราทำเนี่ยนะมันจะมันจะได้เป็นอย่างที่ท่านเจ้าคุณผมคุณนภพรบว่าทั้งงานก็ได้ผลคนก็เป็นศพนะเราเอามาใช้คําว่าทำเป็นที่แะไมซีเรียสเนี่ยเอามาใช้ได้กับการปฏิบัติทำก็ได้เอามาใช้การทํางานก็ได้ นะเอามาใช้กับทั้งทางโลกและการธรรมได้ทั้งนั้นนะอยู่ที่ว่าเราวางใจให้เป็นนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับการประกอบเพนะส่วนผลนั่นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอย่างที่ภาษาจีนเขาว่าเนี่ยความพยายามเปของมนุษย์นะส่วนความสําเร็จเป็นของฟ้าอันนี้พูดแบบจีนนะพูดแบบเต๋าพูดแบบเพื่อคือว่าความพยายามเปของมนุษนะย์นะส่วนความสําเร็จเป็นเรื่องเหตุปัจจัยนะ เราทําเหตุให้ดีแล้วไม่ต้องสนใจผลนะเพราะว่าถ้าทําเหตุดีทำเหตุถูกผลย่อมมันผลย่อมแสดงตัวมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําก็วางผลซะใจระวางผลและทําเอากําลังมาทุ่นเทการประกอบเหตุอันนี้แหละเนี่ยจะช่วยทําให้การทําเต็มที่ในซีรี่์มันเป็นจริงขึ้มนมาได้คํา น, นี้คูยกับท่า น, นี้นะครับ